ครับนมส ก, การหลวงพ่อและคณะสงฆ์ตลอดจนญาติธรรมต้และแม่ชีด้วยครับ mm hmm. ผมชื่อประจวบพรมมายร น, นะครับ mm hmm. มาทั้งครอบครัวสองคนอีกสองคนครับ mm hmm. มาตั้งแต่วันที่เมืองที่สิบสี่แล้ะครับ mm hmm. ก็ได้รับความอบอุ่นอย่างดีเลย mm hmm. จากหลวงพ่อสมพงศ์กาก แม่ชีที่ให้การต้อมรับที่อบอุ่นมากครับผมก็ดีใจที่มาเห็นอาคารนี้ซึ่งมันสวยงามมากผมผมไม่คาดคิดว่าจ ะ, จ, ะจะสวยขนาดนี้ครับผมไม่คาดคิดว่ามันมันจะสวยมากขนาดนี้ครับก็พยายามระวังตัวอยู่คล้ายๆว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงเนี่ยทํามาเห็นขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้ เราบอกว่าอความรู้สึกเห็นความรู้สึกก่อนว่าอ๋อเฉยๆไว้ก่อนนะบอกกันคล้ายๆความรู้สึกมันจะออกมาอย่างนี้แล้วก็พอดีผมอย่างวิสิษฐีก็ฝึกมาแล้วก็พอดีอาจารย์ประพันธ์มาพอดีเลยผมก็เคยมีปัญหาอะไรผมก็ไลน์ไปถามอะไรต่ออะไรเนี่ยอาจารย์ประพันธ์มาพอดีเลย แต่นี่ไอ้ตัวเ u e i o ของผมที่ถามอาจารย์ประพันธน์เนี่ยนะไอ้เรื่องถึงความง่วงเนี่ยยังไงยังไงผมต้องเจอทุกทีเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมหาเนี่ยเคยบอกผมไว้ตั้งแต่ที่ตังนะโยมรู้รอเปล่าว่าถ้าอถ้าโยมเอาชนะความง่วงได้นะทำลายอาวิชชาเลยหลวงพ่อบอกเพราะฉะนั้นในในการปฏิบัติของผมเนี่ย ตัวง่วงเนี่ยจะจะทำยังไงผมก็ถามพระอาจารย์ประพันธ์พระอาจารย์รพันธ์ก็ไม่ตาผมมากคือท่านสอนทุกวิถีเลยมาแบบไหนแบบไหนปรากฏว่าพอเข้าไปเก็บอารมณ์นี้ก็จากประสบการณ์ที่ได้จากพระอาจารย์ประพันธ์เนี่ยผมผมก็วันแรกเนี่ย ผมเอาตัวรอดได้ดีเลยนะแล้ววันที่สองนีย ก, ก็ก็ลองดูซิว่าตามมรมดาเนี่ยผมถ้าให้ผมนั่งเนี่ยนะกับเดินเนี่ยนะท่านั่งปุ๊บเนี่ยบางทีงมันเลยเลยนะมันไม่ง่วงแล้วมันหลับเลยมันทำไมเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้ก็ระวังตัวแต่นี้ไม่เอาแล้วไม่นั่งแล้วเดินตลอดเดินเดินเลื่อนเดินตลอดเพราะท่านั่งเสียท่าทุกทีตอนนี้ก็จำไว้จา ไ, ไว้เป็นบทเรียน ก็ปรากฏว่าพอกลับเข้ามาให้เก็บอารมณ์หลวงพ่อบอกให้ไปเก็บอารมณ์แล้วตอนเช้าท่านย้าบอกว่าให้ดูให้ดีนะไตรสิกขากับไตรรักเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงให้เข้าใจให้ดีผมไปเก็บอารมณ์ก็เดินไปที่ป่ายางนะ่ะพอดีผมไปที่หลังว่าทางนั้นนะคนอื่นเขาก็าได้ได้เขาเรียกอะไรได้ลู่ได้ได้ทางเนะี่เขาเาเา เ, เ, เ, เาจองไว้หมดแล้ว ผมไปที่หลังผมก็ไปไปก็ผมข้าเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นก็ไปเจอคุณมารีซึ่งซึ่งแกเห็นผมเดินเงี้ยงะไปอย่างไ้นนะคุณมารีแกก็มาว่านี่แล้วกันเนี่ยขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเขาจะไปเขาหาที่มันเดินยากๆหน่อยอที่มันเป็นก้อนกรวดเยอะๆนะ อ, อันนี้มันเรียบเกินไปก็มองโอเคผมก็กราบขอพระคุณทนะ่านบอกว่าก็ผมก็ใช้ลูกอันนั้นอนะปรากฏว่า ผมก็มานึกเหมือนกันว่าคุณปานีเนี่ยใ ห, ให้อันนี้ไปเนี่ยมันมันมันคงจะมีอะไรซึ่งมันซ่อนเลนอยู่ในนั้นในนั้นผมก็เริ่มเข้าไปก็ตั้งตั้งใจว่าเอ๊พิจารณารอบๆว่าเอ๊ะทำไมลู้เนี่ยเขาทำทาอย่างนี้หมดเลยทำทำทำอย่างนี้คือทำไม่ทำอย่างนี้นะทำในั้งตะวันตกตะวันออกเนี่ย หมดเลยแล้วก็ผมก็สังเกตดูว่าอ๋อแสดงว่าผู้ทู่มทำเนี่ยเขาคงมีเจตนาอย่างไงไว้สําหรับให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยใช้ใช้ไอ้วิชญญาณดูว่ามันมันทำไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไมาทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ตกลงก็โอเคก็ใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยลองดูซิว่าเป็นยังไงเป็นยังไงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยปรากฏว่า ปรากฏว่าพอมันทําไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่เนี่ยไอ้ตัวที่มันหลวงพ่อบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นส่องที่แสงสว่างที่จะมาส่องข้างในเนี่ยให้รู้ว่าไอไตที่ขากระไตรักเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันแบ่งกันยังไงเนี่ยพอดีผมว่าคล้ายๆว่าไอแสงอาทิตย์ที่ที่ ท, ที่ที่ส่องมาส่องมาบนบนหลานนั่นะนะพอดีเดินไปเดินมาเนี่ย เพราะทเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยพอดีมันมาส่องมาส่องตรงนั้นผมว่าสะดุดใจพุ๊บเพราะรูปที่ไปปรากฏปรากฏเป็นเงาออกไปเนี่ยเดินกลับไปกลับมากลับมากลับใหม่เนี่ยแสดงว่ารูปเนี่ยจะต้องมันเหมือนกับรูปในในในข้างในเนี่ยในในจิตเนี่ยจิตสังขารเนี่ยรูปอันเนี้ยแสดงว่า กับอันนี้มันคล้ายกันมันเหมือนกันบ้างอะไเดอะก็ผมก็เดินไปเดินมาเดินมานมาก็ดูอ่าอ๋อไอ้ไตรัชนี่มันเป็นอย่างนี้เองพอเดินไปผ่านไป ผ, ผ่านมาผ่านมาไอ้เงาเน่ยแหี่ดูที่เงาเน่ยเนี่ยเงาผ่านไปผ่านมาเงาเนี่ยมันจะเริ่มพอผ่านไปแล้วก็ผ่านมา ผ่านไปแล้วมันก็ดูเงาเนี่ยผ่านไปผ่านมาเราก็รู้ว่าอ๋อแสงสว่างเนี่ยมันได้แสงมาเนี่ยมันก็ส่องจากเงาก็ได้เงามาไอเงานี่ก็คืออาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นความคิดก็ได้เป็นความรู้สึกอะไรก็ได้มันจะมันจะปรากฏเป็นเงาออกมาเนี่ยมันพวกเดียวกันเพราะว่าความคิดกับความรู้สึกเนี่ยพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ กฎกองใต้รักว่าอย่างไงก็แครว่าเราก็พิจารณาทุกขังก่อนที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเถียนเนี่ยให้พิจารณาทุกขงังทุกขังเนี่ยพอกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยสมมุติว่าเคลื่อนไหวไปนะไปผ่านไปผ่านเนี่ยพอผ่านไปผ่านไปแล้วคูนผ่านมาผ่านไปรู้ไมคผ่านไปแล้วผ่านมาแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ย อย่างนี้แสดงว่าขาดสติสติสตมญชัดไม่รู้ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านไปไม่รู้แต่ถ้ามีสติรู้เลยว่าถ้าผ่านไปแล้วแล้วไปหยุดอยู่ตรงแสงนั่นนะนะนะความทุกข์จะเกิดทันทีเลยเพราะความร้อนเนี่ยจะเผาลงมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนว่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนอิเลียบทคล้า ย, ายว่าเปลี่ยนไปซะ เปลี่ยนคล้ายๆว่าถ้าไปยืนอยู่เฉยๆเนี่ยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ไม่เคลื่อนไหวไปหยุดก็เปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวซะเคลื่อนไหวบอเคลื่อนไปขึ้นไปไปมันก็พ้นมันก็พ้นแสดงว่าโอเคทุกขังเนี่ยตัวที่บังทุกขังคืออิริยาบถเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถถ้าทุกขังเกิดขึ้นแป๊บเนี่ยอรูตต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวนี้กดทั้งไตรักอันนี้แต่ พอมาเป็นทุกขังเนี่ยพอเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะไปเข้าไตรสิขาตรงเพราะว่าให้มันเป็นปกติซะถ้าคุณคุณทำงี้แล้วคุณกลับไปกลับมาเนี่ยแต่คุณรู้มันปกติก็คือว่าถ้ามันทุกข์เนี่ยคุณก็แก้บแบบออกไปซะอันนี้ก็ก็มาเข้าของไตรสิขาแล้วว่ามันปกติแล้วแต่นี้พอมาพอมาทุกขงังทุกขังก็ พอคุกหาขงมันก็โยงอันอื่นไปหมดเลยคือสรุปง่ายๆก็คือว่าจากไตรักเนี่ยนะกลับเป็นไตสิกขาเนี่ยมันเกิดอยู่ด้วยกันผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ผมคิดว่ามันอยู่คนละบ้านว่างั้นเถอะอยู่คนละบ้านมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้ามันรู้ตรงนี้แล้วมันเกิดด้วยกันพร้อมกันหมดเนี่ยไตรักไตสิกขาเกิดวนเวียนไปวนเวียนมาวนเวียนไปอย่างนี้นะครับครับก็แค่นี้ครับ เป็นคำสรุปที่มีนัยยะนยะโยมจบถ้าเราลุกขึ้นไปปิดไฟเนะี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความมืดเข้ามาใช่ไหมพอเปิดไฟความมืดก็หายไปสถานที่ความมืดเกิดกับแสงสว่างเกิดสถานที่เดียวกันด้วยคนละที่ที่เดียวกันใช่ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะไปสลามืดไปหลังนั้นอย่ามาสลาสว่างมาหลังนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ก็คุณอยู่ในสาลาเดียวกันน่ยมันมีทั้งมืดสว่างแล้วตัวไหนเป็นตัวกาหนดอะไรเป็นตัวกําหนดให้มืดให้สว่างบ่หมายถึงศาลาศาลาจะมืดจะสว่างอมันไปกําหนดไปจัดการตรงไหนจัดการให้มืดก็ได้จัดการให้สว่างไปจัดการตรงไหนสวิตมน่ะสวิต ตัวสวิตนี่แหละคือปุ่มกําหนดใช่ไหมมันตัวสวิตนี่คือตัวปุ่มสติตัวสติเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดทันมันก็ไปสว่างกําหนดไม่ทันมันก็เป็นมืดใช่ไหมถ้ากําหนดทันมันก็เป็นตรสีขาถ้ากำหนดไม่ทันก็เป็นไใจอะไรใจรักก็เกิดในรูปในนามอันเดียวกันนี่แหละไม่ใช่คนละที่นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เข้าใจง่ายๆนะ ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ชัดอย่างเงี้ยเราต้องการสว่างก็ได้ต้องการมืดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าความมืดความสว่างนั้นมันเป็นเองไม่ได้ต้องมีตัวกําหนดก็คือตัวไตรสิขาและกระไตรลักษนั่นเองนะแต่ในตัวไตรสิขาเนี่ยเป็นเรื่องของรูปตัวไ ต, ต, ต, ตรลักษณ์เป็นเรื่องของรูปตัวไตรสิขาเป็นเรื่องของนามร่างกายเนี่ยมันไม่มีคําว่าสว่างไม่มีมืด แต่จิตเอามาใช้ตามจิตภาษาจิตว่าสว่างหรือมืดแต่เราไปจัดการที่ตัวรูปมันมีแต่คาว่าหนักกว่าเบาสบายไม่สบายไม่มีคําว่าสว่างหรือมืดพอมาใช้อาการของจิตมันใช่คําว่าสว่างหรือมืดที่คื อ, คอรู้หรือไม่รู้ร่างกายมันไม่มีคําว่ารู้หรือไม่รู้มีแต่สบายหรือไม่สบายดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต